ปีใหม่นี้หลายๆท่านดีใจมากใจจดใจจ่อรอปีใหม่กว่าจะมาถึงวันปีใหม่หลายคนบอกว่าแหมพอปีใหม่เสร็จมานั่งซึมเลยบอกว่าชาราเพิ่มไปอีกปีอแล้วมรณะก็ใกล้ชิดเข้ามาทุกที่ทุกทีกิจอันใดที่ยังต้องทำกิจเหล่านั้นก็ทำยังไม่เสร็จ กิจคือการบาเพ็ญอธิสีณก็ยังไม่เสร็จกิจที่การบาเพ็ญอธิจิจจตตศสิกขาก็ยังไม่เสร็จกิจที่จะต้องบาเพ็ญอธิปัญญาสิกขาก็ยังไม่เสร็จวันเวลาก็ไม่รอคอยชรามรณะก็เคลือบคลานเข้ามาเข้าม า, ากูสุรธรรมทั้งหลายก็บางท่านก็ไม่ค่อยเจริญก็บอกว่าเสื่อมทั้งภายในเสื่อมทั้งภายนอกเสื่อมภายนอกก็คือ ร่างกายก็ซุดโทรมไปเรื่อยๆชีวิตทั้งหลายก็เหลือน้อยก็ไปเต็มทีสวมสภาพจิตก็เฉี่ยวเหี่ยวเฉาลงไปทุกวันทุกวันเป็นคนอันนั้นสิ้นหวังเป็นคนที่ไร้ความหวังมังคนคงว่าไร้ความหวัง อ, อชาตินี้เราจะบรรลุได้หรื อ, อน o ไหนๆก็ไร้ความหวังไปเลยแต่ว่าของเราทั้งหลายคิดว่าคงไม่เป็นเช่นนั้นนะ ทุกๆปีเนี่ยนะทุกๆปีอย่างที่เรารู้กันแล้วว่าชีวิตของเราเนี่เคลื่อนคลานไปหาชราและมรณะแต่การที่เรามาศึกษาวิสุทธิทั้งหลายเนี่ยนะศึกษาปฏิบัติในสีและวิสุทธิศึกษาและปฏิบัติตามจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามัคคยาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาาณทัศนวิสุทธิและาณทัศนวิสุทธิ การเรียนการศึกษาการปฏิบัติตามวิสุธทธิเหล่านี้เพื่ออะไรบอกว่าเพื่อให้พ้นจากชราและมรณะเหล่านี้สัทีหนึ่งนะนะที่ดำเนินที่ศึกษาที่เล่าเรียนที่ปฏิบัติธรรมที่ให้กายวาจาใจเป็นไปกับไตสิกขาเป็นไปกับวิสุธทธิก็มีวัตถุประสงค์อันเดียวที่ชัดเจนก็คือจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์ จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งชาติชราและมรณะนี่นะอันนี้คือเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการเจริญวิสุทธิเพราะว่าวิสุทธินั้นถ้าอุปมาแบบพระธวินีตสูตรที่พระปุณณะมันตาในบทสนทนากับท่านพระสารีบุตรคือท่านพระสารีบุตรท่านไปสอบถามว่าท่านได้ประพฤติพรหมจรรย์นในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือ พระปุณณะก็บอกว่าอย่างนั้นอาวโุโสท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อศีลวิสุท ธ, ธิหรือบอกไม่ใช่ท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจิตตาวิสุทธิหรือบอกไม่ใช่ท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทิฏฐิวิสุท ธ, ธิเพื่อกังขาวิตรณวิสุท ธ, ธิเป็นต้นหรือบอกไม่ใช่เอแล้วท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรบอกเพื่ออนุปาธาปริณิพันธ์นะเพื่อดับชาติชร า, าและมรณะ ภาษาลิบุตรก็ถามว่าศีละวิสุทธิ์ที่หรือเชื่อว่าอนุปาทาปรินิพานบอกไม่ใช่อย่างนั้นจิตตวิสุทธิ์เป็นต้นหรือเชื่อว่าอนุปาฏาปรินิพานบอกไม่ใช่อย่างนั้นเอาแล้วมันเรื่องนี้เป็นยังไงอ่ะท่านพระปุณณะก็บอกว่าเหมือนอย่างว่าพระเจ้าเปรสเซนที่โกศลเนี่ยเสด็จรีบด่วนจากกรุงสาวัตถีไปสู่นครสาเกต คือมีธุระรีบด่วนสมัยธุระแบบโบราณเนี่ยกิตรีบด่วนจะต้องไปด้วยรถม้าเนี่ยนะถ้าจะเร่งรีบจริงๆก็ต้องไปด้วยรถม้ามาเร็วรถม้าเร็วทีนี้รถม้าเร็วเนี่ยม้าตัวเดียวไม่สามารถวิ่งจากเมืองหนึ่งไปสู่เมืองหนึ่งได้เพราะหนทางมันไกลแล้วก็หนทางมันขรุขระเป็นต้นนะม้าก็เหนื่อยพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยจำเป็นต้องใช้รถเจ็ดพลัดด้วยกันนะ พระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลเดินทางเพื่อรถผลัดที่หนึ่งหรือ <wide> ใช่ไหมไม่ใช่เดินทางเพื่อรถผลัดที่สองหรือไม่ใช่แล้วพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลไม่ใช้รถผลัดที่หนึ่งหรือบอกใช้อะนะใช้รถผลัดที่หนึ่งเพื่อประโยชน์แกอ่ะนะจะได้ไปต่อรถผลัดที่สองได้นั่งรถผลัดที่สองเพื่อจะได้ไปต่อรถผลัดที่สามเป็นต้นผลัดที่สามก็เพื่อผลัดที่สี่ที่สี่ก็เพื่อที่ห้าเพื่อ ขันที่หพลัดที่หก็เพื่อผลัดที่6พลัดที่6กว่าเพื่อพลัดที่7พลัดที่7นี่แหละที่จัะถึงจุดหมายคือนครสาเกตอย่างที่กล่าวไปชั้นใดก็ดีการศึกษาของเราทั้งหลายไม่ได้ศึกษาเพื่อเอาศีลวิสุทธิแต่มองว่าศีลวิสุทธิคือรถรถผลัดแรกศีลวิสุทธิก็เพื่อประโยชน์แก่จิตตวิสุทธิเนี่ยนะมันข้อปฏิบัติเหล่านี้ที่พระผู้มีพระภาคแสดงไปโดยลําดับเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติโดย ลำดับเพราะว่าวิสุธทธิเหล่านี้จะข้ามขั้นข้ามลําดับไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้มันสี่ละวิสุธทธินี้จำจำต้องดีนนะมันสี่ละวิสุธทธิคืออะไรทบทวนอีกครั้งหนึ่งสีละวิสุธทธิก็คือความบริสุทธิ์ทางกายและวาจานนะว่าย่อๆเลยนะความบริสุทธิ์ทางกายและวาจาที่นึกถึงแล้วไม่กินแหนงแคลงใจตัวเอง ไม่ไม่ลำบากใจเลยเมื่อคิดถึงพฤติกรรมทางกายและวาจาของตนส่วนจิตตะวิสุธทธิก็คือความบริสุทธิ์จากอภิชาและโทมนต์เนี่ยนะจิตไม่เป็นไปกับอภิชาและโทมนต์ไม่มีอารมณ์อะไรที่จะยังใจให้เกิดอภิชาและโทมนต์มันผู้ที่สามารถทำได้ขนาดนี้เรียกว่าจิตตะวิสุธทธิดีเนี่ยนะ เพราะว่ารับอารมณ์อะไรอะโลภะก็เกิดคืออนนาพิชาก็เกิดอัพยาปาทก็เกิดความสุดจริตทางกายวาจาใจที่ปราศจากอภิชากับโทมนัสถือว่าเป็นบาตรอย่างดีในการทำความเห็นให้บริสุทธิ์นะแสดงว่าปกติสัตว์ทั้งหลายเห็นไม่ถูกต้องเห็นไม่บริสุทธิ์แล้วความเห็นเช่นใดละ่ะจึงจะเรียกว่าเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ บอกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงยะถาภูตยานัสสนะอันนี้แหละชื่อว่าเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์นะมีญาณมีความรู้มีญาณที่รู้เห็นตามตามความเป็นจริงพูดตัวนั้นแปลว่าความจริงเห็นตามความจริงความจริงเหล่านั้นถ้าเรียกแบบย่นย่อเลยก็คือนามรูปนะเรียกแบบย่นย่อคือนามรูปนะซึ่งความจริงในโลกนี้ก็มีแต่นามกับรูป อันนี้พูดแบบย่นย่อที่สุดถ้าพูดแบบหนึ่งเดียวเลยก็คือบอกมีแต่สังขารธรรมอันโลกนี้มีแต่สังขารธรรมถ้าบอกพูดแบบสองอย่างก็คือมีแต่นามกับรูปพูดแบบสมอย่างก็คือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามพูดแบบสี่ประการ น, นะก็ดํารงอยู่ด้วยอาหารสี่ทั้งนั้นพูดแบบห้าอย่างทุกอย่างก็มีแต่ขันห้าพูดแบบหอย่างก็อายตนะภายในหพูดแบบเจ็อย่างก็บอกว่าเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณ 7ประการภูมิเป็นที่ตั้งแห่งปฏิสนธิวิญญาณเจประการถ้าพูดแบบ8อย่างโลกนี้รับแต่โลกกรทำแพูดแบบ9อย่างก็ดำรงอยู่ในสัตว์ตาวาเ9พูดแบบ10อย่างก็อายตนะ10พูด12ก็อายตนะ12พูด18ก็คือถ้าสิ18ปดามูมวนมวนมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยก็อยู่ในขยายเพิ่มไปอีกก็เป็นทาต42หรือทาสนั่นแหละขยายออกเป็น42 สี่บสองเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งจกักขูปภาษาทโสตะคานาชิวหากายและหัตยะเป็นที่ตั้งแห่งปภาษาทรูปหัตยะรูปแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อมีปภาษาทรูปความใสพอที่จะเห็นได้จิตทางทวารตาก็เกิดขึ้นได้เมื่อหูใสพอที่จะฟังเสียงได้โสตะทวารวิถีจิตก็เกิดได้จะโหมใสพอที่จะรับกลิ่นได้ ฐานะทวารวิถีจิตก็เกิดได้ถ้าลิ้นพอที่จะรับรู้รสได้ชิวหาทวารวิถีจิตก็เกิดขึ้นได้กายถ้าหากว่าใสพอที่จะรับโพธาภะได้กายยัตวารวิถีจิตก็เกิดได้ถ้ารูปกายเป็นไปด้วยดีความนึกคิดทั้งหลายก็อาศัยเป็นไปได้เนี่ยนะชาวนะจิตทั้งหลายก็เป็นไปได้ความโลภเกิดขึ้นบ้างความโกรธขึ้นบ้างความหลงเกิดขึ้นบ้างบ้างเนี่ยแปลว่า สลับกันไปอ่ะนะแต่ว่าบ้างตัวนี้แปลว่าเกิดอย่างหนาแ น, น่นอนะแปลว่าเกิดบ่อยมากจนชำนิชำนาญก็คิดดูนะฟังบางเรื่องเศร้าทันทีฟังบางเรื่องก็โสมนัสแฮปปี้ทันทีเลยนะสวัสดีปีใหม่ก็ยิ้มอะไเงี้ยสวัสดีอะไรไม่รู้ยังนึกไม่ออกเหมือนกันท่ขอมาอธิบายไม่ได้จา่าสันติช่วยอธิบายสวัสดีปีใหม่เนี่แปลว่าอะไรอ๋อเหรอ อ, หอ๋อเป็นโวหารคาถาเหรอ นันก็หลอกกันเล่นหนึ่งงั้นน่ะอันนั้นสวัสดีนี่มาจากโสถิก็คือความปราศจากทุปป ก, กปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจา ก, จากอันตรายทั้งมวลตลอดปีใหม่นี้อนะัแล้วแล้วปีใหม่นี่มันจะใหม่ได้กี่วันเอา้าแล้วเวลามันเก่าไปแล้วจะว่าไงกันนี้เห็นไหมเขาบอกว่าจงตลอดไปอนะตลอดปีใหม่แล้วก็ตลอดไปว่างั้นน่ะแต่จริงไหมล่ะ นั่นเป็นความหวังดีเป็นความปรารถนาดีแต่จริงๆแล้วสังขารธรรมทั้งหลายก็คือสังขารมันยังคับนั่นแหละทีนี้ต่อไปว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความชอบใจเป็นที่ตั้งแห่งความโลภเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเป็นที่ตั้งแห่งความชิงชังเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงและความที่จิตไม่ได้ฝึกรับอ บ, บรมมาไม่ได้อบรมด้วยศีลศีลสิกขาจิตตะศึกขาปัญญาศิกขา จิตจึงตกไปในอภิชากโทมนะตกไปในความโลภความโกรธและความหลงวันเราทั้งหลายถ้าเห็นใครโกรธนะให้ถือว่าเรื่องนี้ยังปกติดีอยู่ถ้าบอกเขาไม่โกรธเออนี่มันมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาจึงไม่โกรธนนถ้ารับปฏิฆานิมิตแล้วไม่โกรธนะเออมันเกิดอะไรขึ้นเห็นสุภาณิมิตแล้วชอบให้รู้ว่าเออยังปกติดีอยู่แต่ถ้าหากว่ารับสุภานิมิตแล้วอะโลภาเกิดนี่มันผิดปกตินะ ก็เหมือนอย่างว่าเช่นเอาของขวัญปีใหม่ไปฝากใครแล้วเขารับนะถือว่าปกติดีอยู่ใช่ไหมให้แล้วเขาไม่รับนะแสดงว่ามเกิดอะไรขึ้นในนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าโทสะเกิดขึ้นก็ยังปกติโลภะเกิดขึ้นก็ยังปกติถ้าโมหะเกิดขึ้นยิ่งปกติใหญ่เลยเพราะเป็นปกติเป็นพื้นฐานเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายที่วนเวียนอยู่ในวัตะ พันตรัยศิขาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดปกติจากวิสัยของโลกเลยเนะพันการประพฤติพรหมจรรย์การเจริญไตรัยศิขานั้นจึงเป็นจึงเป็นการประพฤติอย่างประเสริฐเป็นพรหมจรรย์พรหมจรรย์เหล่านี้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นนามธรรมที่เกิดถือว่าสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยนะเป็นสิ่งใหม่นะถ้าเทียบกับชีวิตในวัฏฏะแล้ว ความทุ่ศีลเนี่ยนะมีมากกว่ามีศีลนะความจิตที่เป็นไปอภิชากับโทมนั์มากกว่าอนัพิชาและอัพยาบาทจิตโดยปกติทั่วไปเป็นไปด้วยมิจฉาทิฐิมากกว่าเป็นไปด้วยปัญญาเนี่ยนะเป็นไปด้วยกับโมหะมากกว่าชีวิตที่เป็นไปด้วยปัญญาทั้งกุศลอกุศลเหล่านี้ก็เป็นนามธรรม แต่ก็คงแยกออกน่ว่าโลพาโทสะโมหะอภิชาโทโมนัสมิจชาทิฐิพวกนี้เป็นนามนธรรมที่อันตรายถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะว่าเกิดขึ้นในบุคคลใดก็ยังบุคคลนั้นให้พินาศเกิดขึ้นในรูปประขันใดก็ทำลายรูปประขันนั้นให้พินาศสร้างพบใหม่ที่ไม่น่าปรารถนาให้เกิดขึ้นแต่ส่วนนามนธรรมคือศีลสมาธิปัญญา นามธรรมทั้งหลายที่เป็นไตรสิกขาอันนี้เป็นเป็นคุณที่ยังประโยชน์ให้สําเร็จที่เป็นไปเพื่อประโยชน์คืออริยมรรคขอไปเป็นไปเพื่อประโยชน์คือพระนิพพานเป็นไปเพื่อความสุขคือพระละสมมาบัตดแล้วก็เป็นไปเพื่อเอ่อเกื้อกูลเนี่ยนะเป็นชื่อของมรรคเนี่ยนะก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลและเพื่อความสุขทีนี้ย้อนกลับมาว่า ตัวสัมมาทิฏฐิที่ไปวิจัยเหล่านี้จนสามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงของธรรมทั้งหลายดังกล่าวไปธรรมที่กล่าวไปมีอะไรบ้างทวนยอ่อหลอกมาโลกนี้มีแต่สังขารธรรมแบ่งเป็นสองคือนามรูปเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามดารงอยู่ด้วยอาหารสี่เป็นความประชุมของขันห้าไหลไปตามอายตนะภายในหกนะนะ ทีนี้อายตนะเหล่านี้ก็เกิดตามหลักของปฏิสนธิวิญญาณ7ประการ น, นะก็ดำรงอยู่ด้วยโลกธรรมทั้ง8นนะอาศัยอยู่ที่ไหนอยู่สตาวาส9าอันนะัอายตนะที่เป็นไปมากก็เนี่ยอายตนะ10ตากับตากับโรคหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรถกายกับโพธภาภะเนี่ยนะคู่นี้เรียกว่าเป็นไปกายตนะ10ถ้าแบ่งเพิ่มขึ้นอีกก็เป็นอายตนะ12ขยายเพิ่มก็เป็นทาปด นนขยายละเอียดซอยลงไปก็42 42เหล่านี้ก็มาขยายว่าผมก็มีภูตรูปและอุปาทายรูปขนเล็บฟันหนงังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นก็มีแต่ภูตรูปและอุปาทายรูปภูตรูปและอุปาทายรูปเหล่านี้ก็แบ่งไปอีกว่านี้มีการเป็นสมุทฐานนี้มีจิตเป็นสมุทฐานนี้มีอุตุเป็นสมุทฐานนี้มีอาหารเป็นสมุทฐานแล้วรูปทั้งหลายเหล่านี้เป็นวัตถุและอารมณ์ของวิญ ญ, ญาณทั้งหลาย เป็นวัตถุและอารมณ์ของวิญญาณทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งกุศลบ้างเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลบ้างเป็นที่ตั้งแห่งอัพยากตะคือวิบากและกิริยาบ้างก็ไล่ไปตามนี้ความเห็นเช่นนี้เป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ปราศจากสัตตสัญญานะแต่ก็ไม่ไม่ใช่หลงลืมโล ก, กสมัญญารู้จักโลกสมัญญาด้วยแต่ไม่เป็นสัตตสัญญา สัตตสัญญานั้นเป็นความสําคัญหมายว่าเป็นสัตว์เป็นชีวะเป็นอัตตาเป็นบุคคลโดยแท้จริงอันนี้เรียกว่าสัตตสัญญาแต่โลกสมัญญาคือโวหารของชาวโลกชาวโลกเขาเรียกว่าพีเอชก็เรียกตามเข้าไปนั่ะบอกว่าสวัสดีชรา ม, มรณะนี่เขาทาใจไม่ได้ออกนะก็รู้ว่าโวหารของชาวโลกคืออะไรใช่ไหมโวหารของชาวโลกเขาก็เรียกว่าพีเอชเรียกไป แต่ว่าถ้าว่าโดยเนี่ยก็มาแบ่งแบ่งไปแล้วก็คืออะไรชารามรณะที่มีชาติเป็นปัจจัยชาติมีภพเป็นปัจจัยเป็นต้นอันนี้คือแบ่งตามสภาวะที่เป็นจริงนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้สัตตะสัญญาก็ถูกเพิกออกไปแต่ขณะเดียวกันนี้ผู้ที่เจริญทิฏฐิวิสุทธิก็รู้จักโลกสมัญญาด้วยรู้จักโวหารของชาวโลกเพราะฉะนั้นจะไม่มีคําอะไรที่แปลกประลัดพระพิสุทธ์ที่ทักทายกับคารวาสสมัยพุทธกาล ก็ยังใช้คำว่าโยมอยู่ใช้คําว่าน้องหญิงอยู่เป็นต้นเนี่ยนะก็มีถ้อยคําเหล่านี้อันนะดูก่อนอุบาศกดูก่อนอุบาสิกาอันนะดูก่อนสาธุชนทั้งหลายท่านก็ยังใช้โวหารของชาวโลกแต่ไม่สําคัญหมายแต่ไม่สําคัญหมายพันธะวโวหารของชาวโลกกับสัตตสัญญานิคนละอย่างกันวโวหารของชาวโลกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่โดย ปกติอยู่แล้วเกิดมาก็เขาก็บอกแล้วใช่ไหมนี่ลุงนี่ป้านั้นอานั้นพ่อนี่แม่เป็นต้นเนี่ยก็โดยโวหารของชาวโลกก็รู้กันดีอยู่แล้วเพราะได้รับการฝึกการหัดการอบรมสั่งสอนมาตามมัน ญ, ญาติของชาวโลกแต่ว่าโวหารของชาวโลกเหล่านี้ถ้าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่ได้ฟังการจำแนกแจกแจงสัจจะเหล่านี้ก็จะสำคัญโดยสัตตสัญญาสำคัญว่าเป็นสัตว์อย่าง แท้จริงเป็นสัตว์จริงสัตว์แท้พอสําคัญว่าเป็นสัตว์ก็ตามด้วยอุเฉททิฏฐิและสัตตทิฏฐิเมื่ออุเฉททิฏฐิเกิดขึ้นต่อด้วยอุเฉททิฏฐิเจอย่างถ้าสัตตทิฏฐิเกิดขึ้นก็ต่อด้วยสัตตทิฏฐิห้าสิบเท่าไหร่ห้าสิบหอย่างเนี่ยก็มีสัตตทิฏฐิเกิดขึ้นห้าสิบห้าใช่ไหมมีทิฏฐิสัตตทิฏฐิห้าสิบห้าอย่างแต่ถ้ากล่าวแยก ไปตามลัทธิละเอียดปรีกย่อยไปอีกนะโลกนี้จริงๆก็คนละลัทธินั่นแหละคนละลัทธิคนละรายละเอียดมีทิฏฐิที่ไม่เหมือนกันเขามีผู้กล่าวว่านะของมาก็เห็นด้วยว่าสมมุติวั ด, ว, ดวัดหนึ่งเนี่ยนะมีพระพิสูจน์อยู่ยี่สิบรูปนะบางวัดเนี่ยน่าจะมียี่สิบรัฐที่ดยซ้าไปมียี่สิบทิฐินะถ้าอยู่กันห้าสิบรูปก็ห้าสิบทิฐิเพราะทุกคนมีความเห็นเป็นของตัวเองหมดเลยยังไง อันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็นับถือลัทธิของตัวเองแต่ในานามพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ใช่ทิฐิของพระพุทธเจ้าถามว่าทิฏฐิของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้ามีทิฏฐิวิสุธทธิมีความเห็นที่บริสุทธิ์ไม่มีสัตตะสัญญาเจือปนเลยเพราะพระองค์วิจัยรอบรู้สิ่งเหล่านั้นโดยละเอียดถี่ถ้วนหมดแล้ว จนวัตถุเหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งสัตตะสัญญาไม่เป็นที่ตั้งแห่งอัตะสัญญาไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสําคัญผิดทั้งอุเฉททิฐิและสัสตททิฐิเพราะพระองค์ร่อบรู้สิ่งเหล่านั้นว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเนี่ยนะสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มีอ่านนะะก็คือสรุปว่าพระองค์นี่แยกจำแนกได้หมดเลยว่าสิ่งเหล่านี้องค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างขยายได้หมดหรือแล้วใช่ไหม ทวนอีกครั้งหนึ่งนะนับหนึ่งก็ได้คือสังขารธรรมนับสองคือนามรูปนับ3คือเวทนา3นับ4คืออาหาร4นับ5คืออุปาทานขัน5้านับ6อายตนะภายใน6นับ7วิญญาณทิ่ติ7นับ8โลกกระทำแปดนับ9สัตววาเ9นับ10อายตนะ10นับ12องายตนะ12นับ18ถ้า18จะนับพิสดารก็กระจายออกไปผมผลเล็บฟันหนัง42คูณภูตรูปและอุปาทายรูป เป็นที่ตั้งแห่งนามมาทำทั้งหลายที่ไหลไปตามทวาร น, นั้นๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคืออะไรก็คือชราและมรณะดีๆนี่แหละเพราะเป็นสิ่งที่แก่เป็นเพราะเป็นสิ่งที่มีความแก่เป็นปกติ น, น, นะนะชราชราธรรมะเนี่ยนะชราติธรรมโตเนี่ยชราชราเป็นธรรมเนี่ยนะอันนี้แปลว่ามีความชราเป็นปกติแล้วก็มรณะธรรมโตก็คือมี ความตายเป็นปกติแก่เป็นปกติตายเป็นปกติแล้วปกติเหล่านี้ที่แก่ปกติที่ตายเหล่านี้เกิดจากอะไรมาจากชาติธรรมโตเนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นปกธรรมดาหรือมีความเกิดเป็นปกติแล้วความเกิดเหล่านี้มาจากไหนชาติมาจากไหนก็มาจากกรรมกรรมนี่แหละจําแนกทําให้ชาติกําเนิดของเราทั้งหลายต่างกันรูปต่างกันเสียงต่างกันมีกลิ่นทางร่างกายแตกต่างกัน มีสวดทรงสันฐานสีผิวเป็นต้นที่แตกต่างกันมีสติปัญญาเป็นต้นที่แตกต่างกันนะมีเดชมีอํานาจแตกต่างกันไปก็ด้วยอํานาจของกรรมเป็นปัจจัยแล้วกรรมเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยความยึดถือว่าเราว่าเป็นของเราเป็นปัจจัยตัณหาอุปาทานเนี่ยนะถ้าแปลโดยอัฏฐะก็คือความยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานะนั่นแหละเป็นปัจจัยถามว่าความยึดถือเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัย ก็มีเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยก็มีอายตนะเป็นปัจจัยอายตนะทั้งหลายมีอะไรเป็นปัจจัยนามรูปนามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีวิญญาณวิญญาณก็มีสังขารเป็นปัจจัยสังขารเหล่านี้ก็เกิดจากอาวิชชาสรุปโดยรวมแล้วไม่มีคือเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ว่าอะไรคืออาัอาธของสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ว่าอะไรคืออาทีนวะของสิ่งเหล่านี้ และก็ไม่เคยถอนฉันทราคาได้ด้วยคือไม่รู้จากนิสรณะจากวัตถุเหล่านี้เลยอันนั้นเป็นอวิชชาอวิชชาที่ไม่รู้อสาธาอาทีนวะนิสรณะของชราและมรณะนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีอวิชชาอวิชชาก็เลยเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมี ภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยก็แก่ก็ตายไปอีกนนเนี่ยนะความแก่ความตายก็เป็นที่ตั้งแห่งโสกเนี่ยถือว่าเป็นปุ๋ยอย่างดีของโสกะปริเทวะทุกขโทมานัสและอุปาญาตนีนนกระแสแห่งวัตถุกุกทั้งหลายสืบเนื่อง เชื่อมต่อ hmm. ก like an e ันโดยลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในอดีตก็คือมีแต่ชราและมรณะอนาคตต่อไปก็มีแต่ชราและมรณะปัจจุบันที่กําลังเป็นอยู่ก็คือชรากับมรณะอดีตที่ผ่านมาชรามรณะก็มีชาติเป็นปัจจัยอนาคตต่อไปชรามรณะก็มีชาติเป็นปัจจัยที่เราทั้งหลายกําลังเป็นไปอยู่นี้ก็มีชาติเป็นปัจจัย ชาติในอดีตทั้งหลายความเกิดในอดีตทั้งหลายก็มีกรรมมพเป็นปัจจัยอนาคตต่อไปที่มีชาติก็เพราะมีกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยกรรมมพบเป็นปัจจัยปัจจุบันชาตินี้ที่เกิดมาก็มีกรรมมพบเป็นปัจจัยในอดีตที่เกิดที่ผ่านมากรรมมพบทั้งหลายก็เกิดเพราะความยึดถือว่าเป็นนั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัต legally, ตาของเราเป็นปัจจัยจึงทํากรรมนะนะ อนาคตต่อไปที่ยังต้องทํากรรมอยู่ก็เพราะความยึดถือว่านั่นเราเป็นนั่นนั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัตราของเราไอ้ความยึดถือเหล่านี้นี่แหละเป็นปัจจัยยึงทากรรมปัจจุบันนี้ที่เราทั้งหลายยังประกอบกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมเพื่อพบใหม่กรรมเหล่านี้ก็เกิดจากความยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตราของเรานั่นแหละถามว่าความยึดถือเหล่านี้เกิดจากอะไร ในอดีตทั้งหลายความยึดถือเหล่านี้ก็มีเวทนาเป็นปัจจัยมีเวทนาเป็นปัจจัยอนาคตทั้งหลายต่อไปความยึดถือทั้งมวลก็มีเวทนาเป็นปัจจัยปัจจุบันนี้ที่เรากำลังเป็นไปเป็นไปอยู่ขณะ น, นี้ก็มีเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดความยึดถือเหล่านั้นจึงเกิดความเพลิดเพลินเหล่านั้นขึ้นในอดีตทั้งหลายเวทนาก็มีผัสสะเป็นปัจจัยอนาคตต่อไป เวทนาก็มีภัสสะเป็นปัจจัยปัจจุบันนี้ที่กําลังเป็นอยู่เวทนาก็มีภัสสะเป็นปัจจัยนะในอดีตที่ผ่านมาภัสสะก็มีสลายตนะเป็นปัจจัยภัสสะทุกภัสสะในอดีตล้วนแต่เกิดจากสลายตนะอนาคตต่อไปที่มีภัสสะก็เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภัสสะในทวารทั้งหกที่รับกันอยู่นี้ก็มี สลายตระนเป็นปัจจัยคือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปัจจัยในอดีตที่ผ s, ่านมาตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีนามรูปเป็นปัจจัยอนาคตต่อไปถ้าจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กําลังเป็นไปอยู่ขณะนี้ชาตินี้ก็มีนามรูปเป็นปัจจัย นามรูปเหล่านี้ที่มีอยู่ก็เพราะมีปฏิสนธิวิญญาณมีประวัติวิญญาณเป็นปัจจัยดังั้นในอดีตทั้งหลายนามรูปในอดีตทั้งหลายมีปฏิสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณเป็นปัจจัยอนาคตต่อไปอีกเนี่ยนะที่จะมีอีกข้างหน้าต่อไปนามรูปทั้งหลายก็เกิดจากปฏิสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณปัจจุบันนี้นามรูปที่กําลังดํารงอยู่นี้ก็มีปฏิสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณเป็น ปัจจัยวิญญาณเหล่านี้วิญญาณในอดีตเหล่านี้ก็เกิดจากเจตนากรรมคือสังขารเป็ น, นปัจจัยปุญญาพิสังขารบ้างอปุญญาพิสังขารบ้างอเนินชาพิสังขารบ้างเป็นปัจจัยแก่ปฏ <SU ục> ิสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณอนาคตต่อไปถ้ากระแสแห่งปฏิสนธิวิญญาณประวัติวิญญาณยังเป็นไปก็เพราะมีนะปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขาร อนเนชาพิสังขาร bedeutet, เป็นปัจจัยปัจจุบันชาติทั้งหลายที่มีปฏิสนธิวิญญาณในชาตินี้ประวัติวิญญาณที่กําลังเป็นไปก็เพราะมีปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารมีหรืออารูปภพมีอรูปภพมีอเนญชาเป็นปัจจัยก็ปัจจุบันทั้งหลายเราเป็นประเภทอะไรประเภทอะไรประเภทปุญญาพิอะไรนะวิเป็นผลของปุญญาพิสังขารบ้างปุญญาพิสังขารบ้าง สังขารเหล่านั้นล้วนแต่เกิดจากความไม่รู้เนี่ยนะเกิดจากความลุ่มหลงไม่รู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของของอะไรของวัตตะเหล่านี้นะเพราะให้ความไม่รู้นี่น่าจะสมาทานเป็นศัตรูกันได้แล้วนะเลวมากทาไมเลวขนาดนี้ไอความไม่รู้นะฮะพันสมัยโบราณเนี่ยนะเขาทำบุญให้ทานเสร็จเขาสมาทานขอเป็นศัตรูแกอะไร แกความไม่รู้เลยนะอาสวะคขยาวหังนิพานังโหตุอาสวะก็คืออาอสวัคอะนะก็คืออาสวะนั่นแหละมีกามาสวะภวาสวะทิฐาสวะและอวิชชาสวะขยะแปลว่าสิ้นไปทีนี้จะสิ้นอาสวะได้มันต้องฆ่าอาสวะทีนี้อารมณ์ที่จะทําให้ฆ่าอาสวะได้ก็คือพระนิพพานมันเวลาเขาทําบุญให้ทานทักษะศีลเจริญภาวนาเนี่ยเขาสมาทานเลยบอกคอเป็นศัตรูกันตลอดไปนะอวิชชาเอ้ยมันงั้นนะนี ของเรานี้มีความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นบ้างไหมโดยสามันสํานึกนะไม่ใช่โดยคำํำว่าโดยคํานี่โบราณเขาสอนมาแต่โดยสามันสํานึกนะตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทําอยู่นี้จงเป็นไปเพื่อการเข็นการฆ่าอาวิชชาเถิดเนี่ยนะนดาวันคิดอย่างนั้นหรือบ้างกำลังจะเริ่มคิดไม่เป็นไรนะเพราะว่านี้ก็ปีใหม่เนี่ยก็คิดก็คิดทันได้ยังไม่สายอะไรก็กําลังเริ่มปีใหม่ช่วงเช้าด้วย แล้วก็คือสมาธานที่จะเป็นปฏิบักษ์สมาทานที่จะเป็นฆ่าศึกศัตรูแห่งความไม่รู้เหตุเกิดความดับอาศาท้อาทีนวะนิสระณะของสิ่งเหล่านี้ถ้าตั้งคำถามว่าแล้วเราไม่รู้อะไรล่ะไม่รู้อะไรหรือเราไม่รู้มันเป็นยังไงคือไม่รู้จากอดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้ยังไม่พอสงสัยต่างหาก นนะสงสัยอดีตรเรามีหรือเปล่าอนาคตราเราจะมีหรือปัจจุบันนี้เรากำลังมีอยู่หรือ <c oughs> ก็เลยสงสัยใหญ่ <c oughs> เพราะสงสยัย <c oughs> เพราะไม่เคยกำหนดปัจจัยแห่งนามรูปในอดีตไม่เคยกำหนดปัจจัยแห่งนามรูปที่จะมีต่อไปในอนาคตไม่กำหนดปัจจัยนามรูปทั้งหลายที่กำลังกลังเป็นไปในปัจจุบันเนี่ยนะเมื่อไม่กำหนดปัจจัยแล้วยังไม่รู้ความเป็นจริงว่าชรามรณะชาต พบตันหาอุปาทานตันหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณและสังขารในอดีตก็สิ้นไปแล้วในอดีตดับหมดไปแล้วในอดีตไม่เหลือมาถึงปัจจุบันเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่สิ้นแล้วเสื่อมแล้วสลายแล้วหมดแล้วนะสิ่งเหล่านั้นสิ้นไปแล้วก็อย่างที่ถามว่ามีนามรูปอะไรติดเชื่อมาจนถึงปัจจุบันไหมยังอยู่จนถึงปัจจุบันมีไหม นามรูปในอดีตชาติก็ดับสิ้นไม่มีเหลือเลยในอดีตชาติกรรมที่ทําไว้ในอดีตชาติดับไหมดับกรรมที่ทําไปแล้วในอดีตชาติก็ดับแล้วในอดีตชาติก็เหมือนกับว่าพูดแบบสมัยใหม่เลยนะมันมีสัญญาบางอย่างในโลกนี้เนี่ที่คนร่างตายไปหมดแล้วกฎหมายหลายอย่างเนี่ยนะที่ร่างแบบระดับโลกนะร่างเมื่อร้อยปีที่แล้วอย่างเงี้ยนะคนร่างตอนนี้เหลือไหม ลแต่กฎหมายเหล่านั้นที่ร่างขึ้นมีผลบังคับใช่ไหมมีชันใดก็ดีกรรมในอดีตหมดแล้วในอดีตแต่ว่ากรรมที่ทําทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีผลบังคับใช้บางอย่างบังคับใช้ในชาตินี้บางอย่างมีผลบังคับใช้ในชาติหน้าบางอย่างมีผลบังคับใช้ในชาติที่สามเป็นต้นไปเหมือนเราไปกู้หนี้อะไรสักอย่างนึ่งนะเอาเงินมาถลุมเกลี้ยงหมดแล้วนะแต่มีผลบังคับจ่าย จ่ายงวดแรกต้องภายในวันนี้อย่างง้นะงวดที่สองต้องวันนั้นงวดที่สามเป็นต้องต้องจ่ายระดับโน้นถ้าไม่จ่ายประหารประหารอีกเจ้าหนี้รายใหม่พาไปใช้รานต่อยังไงก็อยู่อย่างนี้แหละตลอดไปเพราะว่านักโทษของวัตตะ